เขาเข้าใจเว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าอย่างแท้จริงน่ะคืออะไรมันก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไรเมืองใครพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคือคือใครมีพระเจ้ากี่บาทําศัตรูนั่นให้ไปสวรรค์ทํำคนนี้ให้ดีอะไรเงี่ยอทั้งหลายเหล่านี้นี่อก็คืออะไรออย่างนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ย ไอ้ที่ช่วยให้คนได้ก็คือความดีธรรมะก็คือความดีเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ามาพูดคืถึงพระเจ้าแ้วมันจะเป็นตัวเป็นตนอยู่างื่นเนะี่ยมันก็เป็นภูคราดับฐานไปแล้วจิตไม่จมลงไปในนั้นอย่างนี้ที่ว่าถราเจ้าไม่ช่วยเราทาไปดีธรรมะค็ไม่ช่วยเห อ, อ เราทำดีก็คือความดีช่วยเราคือพระเจ้าช่วยเราเราทำไม่ดีก็คือเราทำไม่ดีคือมีความเสียหายเกิดไม่ดีขึ้นก็คือพระเจ้าช่วยพูดตาง่ายๆเราจะ้มงาเห็นชัดเจนเนี่ยอือย่างนั้นในพระเจ้าก็คือธรรมะให้ที่แท้จริงนี่เองเนี่ยอยู่ในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้าเหมือนกัน อยู่นั่นก็มีพระเจ้าเหมือนกันแต่ไปสมมุติว่าอันนั้นพระเจ้าคิดอันนี้พระเจ้าพูดเท่านั้นเนี่ยที่ความจริงพระเจ้าทั้งสองอย่างนี้ก็ช่วยคนได้คือคือทำความดีแล้วมันจะมีความดีเกิดขึ้นมานี่ยพระเจ้าช่วยถ้าทำความเสียหายก็ความไม่ดีเกิดขึนพระเจ้าไม่ช่วยนั่นคือตัวพระเจ้าอยากแค้จริงๆราพิจารณาเองเห็นในใจเราได้ ตั้งไที่นี่พพอเห็นรรมอน่าเห็นธมอย่างนั้นงเหมือนกันเหมือนกันียระอหังกันเตสัมปองกานานาปกรนี่ก็คือล่างบาปนะเห็นเราล่างบาปแต่ว่าล่างบาปก็คือพคนนั้นหยุดยฉมันก็ไม่มีบาปนะถ้าเราไม่หยุดก็แสดงอหังกันเตสัมปอราไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเจ้าไม่ช่วยเหมกันพูดไมจริงอออย่างนี้ในทางการแสดงอาบัติออกหมดเช้เวนะกรณีมาล้างบาปก็ได้ไม่นี้นี่เดี๋ยว่ากินขนมปังล้างบาปมันเป็นดีๆอย่างนั้นมันกั้นกันนิดเดียวเสนั้นเนี่ยถ้าพระไปถึงที่สุดแล้วกรณีว่าธรรมะอนิจจการทั้งนั้นเนี่ยแต่คนจะแยกออ ก, กแต่ว่าเราจะชัดชัดจริง ๆ, ๆเช่นว่าพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทเจ้าพระโคดวนพระพคทธเจ้าเราเนี่ยก็ดูได้แต่ว่าแค่จริงหรไม่จริงก็ไม่รู้นะมันไม่เห็นชัดในใจถาะะ้าเรามาพิจารณาด้วยในใจของเราธรรมะจริงข่อมจริงในใจเราแต่ที่จริงกับพระพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยองค์นั้นเนี่ยเป็นภกระดิฐานอันนี้มันเป็นธรรมธาทิ่ฐานที่แท้จริงเนี่ยได้เรายืนยันเป็นพยานในตัวของเราได้อย่างนี้ ให้อุจจโมกข์ยุนฮาด้วยทีเออของที่ไม่ของที่มันถูกต้องแล้วก็ทําไมอ่ะคือเรื่อว่าอันนี้มันก็โพูดยากเหมือนกันนะออมันมันมันมันก็พูดยากเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเรื่องรักที่เรื่องศาสนาที่ถูกต้องจริงๆน่ยมันเหมือนกันให้คนทุกข์นเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าอมันคิดเนี่ยมันพูดเนี่มันมันแยกกันโดยที่อื เาดแต่คิดนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นพระเจ้าคือธรรมะนี่มันก็ได้เลยถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าคือธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาขนมมากินเนี่ยมันล่างบาปไม่ได้นั้นเนี่ยนะแต่มาคิดคิดกันเพราะมาคิดกับพุทธเนี่ยเอคิดกับพุทธนี่มันอันเดียวเท่านั้นนะพระเจ้ากับพระพุทธเจ้า มันก็พระเจ้าในอาการอืแต่ว่าไอ้ไอไอไอพระเจ้าอย่างแท้จริงคือเป็นปรมัดติดต่อเดียวทุตมะทําทดีก็ได้ดีจริงทำชั่วไดชั่ ว, วจริงอย่างนั้นอืมแต่ว่าถ้าหากว่าเราทํามันสงสัยอยู่นี่กันได้ใช่ไหมให้ถึงพระพุทธประธรรมประสงค์นี้ห้ทิ้งหรื อ, อย้ายมันสงสัยก็อะไรเลยนั่นะนี่มันจะช่วยอย่างเต็มที่เลย มันไม่ต้องดีจิตคิดชาอืมได้เราจะทําอย่างนี้เออมันขัดต่อพุทธเราจะทําอย่างนี้เออมันขัดต่อคิดมันได้ยุ่งในใจของเราอยอะเงี้ยอืมมันอยู่ง อ, อย่างงี้จาว่าท่านจะให้ตรัดอะไรออกให้หมดจ้าอย่างท่านจะอยู่ปฏิวัดเพื่อให้สภาพจิตอันนียให้มันออกมาเพื่อจะบําเพ็ญทางนี้ให้มันทางเยอะเท่ า, านั้น่ะหมดทนะั้งสายเนี่ย เป็นเลือลอดพีทีไม่ได้ไ อ, อ่เลือดพีทไม่ได้มันก็แสดงว่ามันเอ่ที่มันมองเห็นด้วยตาแต่ภายในมันไม่มันขัดทีจังกว่าที่เรากระทากันอยู่เนี่ยอ่อออถาถ้าเราทําผิดให้พ่นจากทุกข์เลยมันก็พ้นไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอยู่กับพวกฟุดจริงๆถ้าไม่หยุดอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างเราจะไปอยู่กับพวกพีทถ้าไม่หยุดฟุดก็ไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันเท่านี้แต่อัสิได้คนนี่นะ สี่ดาคนคนมีศรัทธาเหตุที่อืมแต่ก็ถึงแก่ออกจากนี้ไปแกจำมันรู้ธรรมะให้มันให้มันให้มันมให้มันรู้จักธรรมะจริงๆเนี่ยรู้จันะจกการกดทุกข์กับคนทุกข์กกได้แต่มาอยู่ในพวกอย่างนี้มันสงสัยกันนีเองอย่างนั้นอืย่างอืมย่างเป็ดเสกหรือประเซกอย่งนี้ ไปพูดกันไหนรู้เรื่องกันแต่มันติดตรงนี้ติดตรงที่วานี่ไปเช็กเถอะป้วันนั้นเขาทำพ้นธรรมานี่ปวดลานมัดเนี่ยเช็กก็ไปปวดช่วยไม่ได้ได้เขาทางี้ได้บุญไหมผมว่าทำไมดีนะทางี้ได้บุญไหมก็จะนึกคิด ผมไม่รู้บุญแต่ว่าทําอย่างนี้มันเป็นประโยชน์กับประธรรมอ่ะมันก็บุญเนน่ะนะอตัวห ม, มายมันเป็นบุ ญ, นะนะบญนะแก่คําที่ชื่อว่าบุญยังไง น, นอะอถ้าว่าเราสึกไปอย่างเนี้ยเราวสึกไปเราไปบัติในรูปอนี้เพ่อมันไม่ขัดกันตรง น, นั้นค่อยๆค่ะพูดอยานน่างห น, นึง่งใจอย่างหนึ่งการพูดอย่างหนึง่งจะทําใจอย่างห น, นึง่งแต่เดี๋ว่า เราพูดว่าเราเราเป็นคลิปเราเป็นคริปนี่เด็พูดอย่างหนึ่งแ่ว่าใจเราเห็นธรรมเป็นพุทธมันพูดอย่างใจอย่างพูดอย่างใจอย่างมันก็เป็นสองข้างเยหมือนกันไอ้เหยียบเรือสองแคมเนยเอเอเอความลังเลสงสัยสดีจีคิดช้ามันเกิดขึ้นแต่มันไม่สมบูรตอนวมเป็นจริงวิสแกรีด่ดี คี่ใช้แกดีไปมาอะไรนีผมชอบนูคิดใช้คิใชแกถ้าหากว่าท่านเรื่องกับแกกรู้ดธรรมะเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มันแต่มันรู้ธรรมะเหมือนกันที่นี้เราเร า, เรามาบอกเป็นพระไงเยชูคริสเห็นทำไมต้องเกลียดเลยต้องเกลียดไหมโอ้่<ย> ค่ระุเอ่อร่ารมใช่นั่นในที่ไม่เข้าใจนั่นแหละเออดีไม่ได้ติอะไรดีเป็นดีจะว่าอยู่แบงี้ก่อนเรื่อยๆไปไม่ต้องอะไรอยู่ไปจะมันสบายใจ ให้ใคอยู่ไปเรื่อยซะก่อนให้แกรู้จักธรรมะให้มันซึ้งดีๆก่อนอืมย่างหยุดนี น, นั่นซะก่อนอี่าเพิ่งพูดกันไปถึงนั้นอยู่ไปเรื่อย อ, อยู่ไปนี่ก่อนเรื่อให้เรียบร้อยความีริงเราสงสัแต่ว่าคนเรียบร้อย ม่าจว่าคนนอกพุทธศาสนาได้ไหมเนี่ยหึตกเคืองปฏิบัติแรงสิ้นสนสิสูนนี่ เรื่องนอกพุทธศาสนานี้เมื่อพูดคํานีลงไปกันนอกพุทธศาสนานี้ถ้าพูดความเป็นจริงมันพูดถึงความเห็นไม่พูดถึงเครื่องแต่งตัวอย่างนี้ถ้าพูดตามธรรมะจริงๆนะคือกิตนี่มันเห็นตามพุทธศาสนากาตั้ดูตามพุทธศาสนาได้แต่เขาก็เอาเครื่องแต่งตัวนี้ประกอบด้วย อันนี้เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัวกระกอบกับไปแต่ว่าที่เราไปทําเราไปทําคิดนะแต่เครื่องแต่งตัวนี้มันก็คล้ายๆกับตัวเป็นเป็ดผมว่าเป็นไก่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะจะเรียกว่าไก่ก็เหมือนเหมือนเป็ดจะเรียกว่าเป็ดมันก็เหมือนไก่อย่างนี้ตัวเป็นเป็ดสีสาเป็นไก่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราไปรู้จักไป ตัวมันเป็นเป็ดชี้สามมันเหมือนเหมือนไก่แล้วก็ไปเห็นอะไรไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่นะมันจะเป็นยังไง <c oughs> คือความเป็นจริงท่านในบริสุทธ์กายวาจาใจบริสุทธ์กายวาจาใจกายทำดีอยู่จะว่าจิตบริสุทธ์ก็ไม่ได้อย่างนี้นะต้องจิตก็ต้องบริสุทธ์กายบริสุทธ์วาจาบริสุทธ แก่ไหมถ้าให้ให้ให้มันให้มันเสมอกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรไม่ใช่ฉันใจฉันบริสุทธิ์อยู่ถึงฉันไปด่าท่านก็ดีฉันยังมีจิตบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมีทางแก้ตัวถึงฉันจะขโมยของท่านมาฉันไปยังมีความบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันฟังยากนะมันฟังยากเราไปขโมยของคนแต่ใจจิตฉันบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมันมันฟังยาก คนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ไม่ต้องไปขโมยของใครอย่างนี้เรามองดูกายวาจาใจมันเรียบร้อยตรงกันเป็นหมาไอไอไตรงเนี้ยไอตรงนี้มันตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงตรงนี้มองระลอตรงนี้มันตรงเราจะไม่นับถืออันใดอื่นอืมเราจะมายึดถือรายยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ว่านับถือพ่อแม่ก็นับถืออยู่นับถือเพื่อนฝูงก็นับถืออยู่แต่ไม่ยิ่งกว่าพุทธศาสน <l> าตั้งคนก็ตั้งศาสนาพุทธศาสนาไปมันเนาะอยากจะอยู่อย่างนี้ด้วยไปเพื่อให้ทำความเข้าใจในหลกักพุทธศาสนาให้มันให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้น บางทีรเราก็เวียงมันทีมันเมื่อมันเห็นชัดมันก็าวางเองก็ได้ต่างใช่ไหมคริสกับพุทธต่างกันไหมเปล่าเรื่องจิตใจนะการปรฏิบัตินะการปฏิบัตินะมีภาวะผู้มีภาวะผู้ช่วมีตรเาแต่ะส สม m ติวันนี้ทรายเด a นที่เดินเดินเดิน a ดินเ a i นเดินเดินเ a ินเดินเด p นเดิน i ดิ เดียร์อย่างโอ้เจ้าหนุ่ทำยังไงถึงไปเจอพระเจ้าเป็นรูปยังไงเป็นสันสานใหญ่ไ้มสูงั้ย ก็ต้องทำมุขล้อตัดอธรรมีีอะไรขาวสไม่มีสีอะไรทั้งนั้นหละบริสุทธิ์กันนั่นแหละีนี่นี่มมันมันมันถูกธรรมะดักปิโยกันนีก็มันมาคนเส้นในสาย่นีน่นก็เป็นธรรมะนั่นแหละนีก็เป็นธรรมะนั่นแหละ ก็เป็นธรรมะมันไปถึงอันเดียวกันแต่ว่าถึงอันเดียวกันก็ต้องเรียกว่ า, าเขาเห็นว่ามันไปในทางอันเดียวกันเดินไปด้วยกันอย่างนี้อันเดียวกันแต่ไม่ให้มีสอง ปฏิบัติใ้เป็นหนึ่งปฏิบัติเป็นหนึ่ง ได้ไม้มเราไปพิจารณาตรงนี้อยู่ไม่ไไมไม่่จะอยู่ไปเฉยๆเราอยู่ไปต้องการความรู้จักว่ามันเป็นยังไงไหมคลิดพุทธเนี่ยภาวนาดูที่ว่าถ้าว่าตรงนี้่ะเราไม่กินขนมฟังเราไม่กินเหล้ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมในร่างกายของเราเนี่ยหรือในจิตใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นไหมอย่างนี้ มันจะพิจารณาเหตุผลมันคือให้อยู่ไปเพื่อให้พิจารณาวิจัยอันนี้ให้มันให้แกระดับรู้ซึ่งธรรมสูงกว่านี้จะเห็นอันนี้ชัดเท่านั้นแหละรู้กายให้ให้เวลาเวลาแกอยู่ให้เวลาแกพิจารณาเรื่องนี้ให้มันตกแตกให้มันมีเหตุผลเมื่อแกจะสึกจะอมีบาดหลวงมันตรงนี้ บวชให้เดอจะได้เป nah e? ็นบาทรหลวงต้องบวชให้เดือจะได้เป็นพระไงต้องบวชอันนี้จะได้เป็นบาทรหลวงต้องบวชบารหลวงไเป็นบวชไม่ได้ยังไไม่ดบารวงไม่ได้คเป็นบาหลวงไม่ได้ไม่ได้คึกจากจากบาตหลวงไม่ด้เป็นบาตรหลวงก็นเลยว่าคนี้ พูดดิสึไปเป็นบาทหวงเงี้ยสิเออมันยั ง, มมงไม่ดิสึจากหวนม่ได้ไ่จะสึจากพระมสึจากร่ว่ายากจะ้เออยากเนาะเกิดมาในโลกนี่ยากเนาะ